บทที่ย9นางกิมหงวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันพัตหารเช้าเสร็จแล้วท่านพระครูจึงเดินทางไปเยี่ยมมารดาของเท่าแก่บัวเฮงที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนายบัวเฮงนำท่านเข้าไปในห้องของมารดา ซึ่งมีลูกหลานห้อมล้อมอยู่เต็มเห็นท่านมาพวกเขาก็ดีใจเรากับเทวดามาโปรโดหลวงพ่อช่วยอีลวยช่วยให้อีพูกกับลูกกับหลังหน่อยอีไม่ยองพูกมาสาวังเลี้ยวภรรยาของนายบัวเหงบอกให้ท่านช่วยก็อีจะไปอยู่แล้วจะให้อีพูดอะไรอีกล่ะและวทำไมจะต้องพูดด้วย ท่านย้อนถามต้องพูดสี่หลงพ่อก็อียังไม่ไหลแบ่งสมบัติอียังไม่แหลบอกว่านาจะยกให้คลไล่ยกให้คลเงินในธานาคารยกให้คร ล, ลูกสะพ้ายของคนที่นอนแบบอยู่บนเตียงสาธยายท่านพระครูมองหน้าคนเจ็บก็รู้ว่า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 แทนคนที่กำลังจะตายจึงพูดขึ้นว่าแม่อาตมานึกว่าพวกโยมห่วงคนเจ็บที่แท้ก็ห่วงสมบัตินี่เองโทษหลวงพ่อคะเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครนะคะห่วงแม่น่ะพวกเราก็ห่วงแหลคะค่ะแต่ขนาดเดียวกันเราก็ห่วงตัวเองด้วยถ้าแม่ตายหนูคงเดือดร้อนกว่าเพื่อน เพราะยังไม่ได้ทำงานเรียนก็ยังไม่จบลูกสาวคนสุดท้องพูดขึ้นพวกหลานๆซึ่งยังไม่รู้ประสีประสาพากันวิ่งเล่นเป็นที่ครื้นเครงท่านพระครูมองคนเจ็บอีกครั้งนอนตัวโตขนาดเท่านี้ก้อยไตยออกมาจากผ้าหม่มท่านนึกแปลกใจว่าคนป่วยยังไม่ทันตายแต่ทำไมมีนอน จึงบอกให้นายบัวเฮงเลิกผ้าห่มขึ้นดูตายจริงเท่าแกทำไมปล่อยให้นอนขึ้นแม่อย่างนี้ล่ะท่านพูดเชิงตำหนิเมื่อเห็นหนอนตายย้อยเยี้ยอยู่ที่ตัวผู้ป่วยไม่รู้มันมาได้ยังไงครับหลวงพ่อผมก็ช่วยกันเก็บทิ้งไปหลายตัวแล้วลูกชายเป็นครูพูดมั่งตายมาจากแพ้ข้างหลัง นายบวยเ่งพูดพร้อมกับจับมารดาให้อยู่ในท่านอนตะแคงจริงดังที่เขาพูดแผ่นหลังบริเวณกระเบนเน็ตเป็นแผลลึกจนถึงกระดูกหมู น, น้อนกำลังเจาะกินน้ำเลือดน้ำหนองกันให้ยุบยับไปหมดสภาพของคนเจ็บในเวลานี้ไม่ต่างไปจากซากศพที่ยังมีลมหายใ จ, จเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงอยากรู้ต้นสายปลายเหตุจึงกาหนดเห็นหนอ แล้วก็ได้รู้ได้เห็นกฎแห่งกรรมของนางกิมหงยางจะแจ้งนางกิมหงสะสมบาปไวมากตั้งแต่สาวจนแกกระทั่งกลายเป็นอาชินกรรมอาชีพค้าขายและออกเงินกู้เปิดโอกาสให้นางได้สร้างกรรมชั่วด้วยการช่อโกงลูกค้าและลูกหนี้จนสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองถึงขนาดมีสมบัติพัฒนานมากมาย ให้ลูกหลานมานั่งยื้อแย่งกันในขณะที่นางกำลังจะตายเอาละถ้าอยากให้คนเจ็บพูดก็ขอให้ทุกคนออกไปจากห้องให้หมดรอให้อัตมาเรียกเสียก่อนแล้วจึงค่อยเข้ามาท่านออกคำสั่งลูกหลานทำท่าลังเลนิดนึงในที่สุดก็พากันออกไปแต่โดยดี ช่วยเรียกคนขับรถของอาตมาเข้ามาในนี้ด้วยท่านไม่ต้องการอยู่สองต่อสองกับสตรีเพศในที่ลับตาคนแม้สตรีนั้นอายุมากกว่าท่านและกำลังอยู่ในสภาพใกล้าตายก็ตามสมชายล็อกประตูด้วยท่านสั่งลูกศิษย์เพื่อกันคนแอบฟังอาซิมอาตมารู้ว่าลือพูดได้ แต่ที่ลื้อไม่พูดเพราะโกรธลูกหลานมาแย่งสมบัติกันต่อหน้าลือใช่ไหมชายเลี้ยวหลวงพ่ออ้วกกมังเกียบพวกมังทุกคงคนเจ็บพูดเสียงแหบพรา่าหากท่านก็ได้ยินชัดเจนเพราะกำหนดเห็นหนอซิมถ้าลื้อโกรธหรือเกลียดพวกเขาลื้อก็จะไปไม่ดี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 ท่านจึงต้องช่วยเขาไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็ตามอยากนางกิมโ h งตอบด้วยเสียงที่อยู่ในลำคอถ้าอยากก็ต้องอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวเียนเสก่อนพอจะจําได้ไหมว่าทําเวียนทำกรรมไว้กับใครเข้าบ้างท่านถามพร้อมกับแผ่เมตตาให้นางกิมโงงรู้สึกมีกําลังขึ้น สมองที่ตื้อตันกลับปลอดโปร่งระลึ ก, กรู้บาปกรรมที่ทำไว้ครบถ้วนภาพเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆไหลเข้ามาสู่ห้วงสำนึกเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายเร็วๆให้ดูเริ่มตั้งแต่ภาพที่แม่หนูน้อยวัยปดขวบกรรมทนบัตไปลาร้อยมาซื้อของที่ร้านของนางอาซิมซื้อข้าวเหนียวสมลิตรกล้น้วาวาสองหวีมะพร้าวขูดสองกิโล น้ำตาลทรายครึ่งกิโลแม่หนูอ่านรายการที่มารดาจดมาให้นางจัดของให้ตามต้องการและทอนเงินให้เป็นที่เรียบร้อยบังเอิญแม่หนูหอบของไปไม่หมดจึงออกปากฝากข้าวเหนียวไว้แล้วก็หิ้วของอื่นๆกลับไปบ้านทันทีที่เด็กหญิงออกจากร้านนางก็คว้าถุงข้าวเหนียวมาเทกลับคืนไว้ในกระสอบครุ่ใหญ่ แม่หนูก็กลับมาทวงถามอาซิมหนูมาเอาข้าวเหนียวที่ฝากไว้ข่าวออนไลน์อ้วนใหม่ลูกไม่เห็งมีใครมาฝากนางปฏิเสธหน้าตาเฉยไม่ว่าแม่หนูจะอ้อนบอนขอร้องอย่างไรนางก็บอกไม่รู้ท่าเดียวเด็กหญิงเดินกลับไปบอกมารดาที่บ้านผู้หญิงคนนั้นมาที่ร้านถือแม่เรียวมาด้วย เมื่อนางบอกไม่รู้เรื่องข้าวเหนียวที่เด็กอ้างว่าฝากไว้หญิงนั้นเข้าใจว่าลูกยักยอกเงินจึงใช้แม่เรียวตีเด็กหญิงต่อหน้าต่อตานางตีจนลายไปทั้งตัวเสร็จแล้วจึงซื้อข้าวเหนียวสามลิตรกลับไปบ้านเป็นข้าวเหนียวที่นางเพิ่งเทคืนกระสอบนั่นเองถัดจากภาพเรื่องราวของเด็กหญิงก็เป็นภาพที่นางโกงกิโลพืชผล ที่พวกชาวไร่นำมาขายโดยใช้เท้ายันก้นเข่งไว้ขณะช่างด้วยกระช่างคันยาวการกระทําเช่นนั้นทำให้นางสามารถโกงน้ำหนักพืชผลในเข่งละประมาณ3ถึง5กิโลกรัมวันหนึ่งวันหนึ่งต้องช่างเป็น1ิ1 0ิบเข่งก็เท่ากับนางโกงเขาวันละ 30-50 ถึงกิโลกรัมต่อจากเรื่องโกงกิโล ก็เป็นเรื่องโกงดอกเบี้ยลูกนี้โดยทำหลักฐานปลอมขึ้นใช้สารพัด ส, สารพันที่นางช่อโกงและช่อชนคงเป็นเพราะความชั่วร้ายของนางจึงทำให้ถูกหนอนกินทั้งที่ยังไม่ทันตายไหนจะทุกเรื่องลูกหลานซึ่งบัดนี้นางได้รู้ตรักะแล้วว่าพวกเขาไม่ได้รักไม่ได้ห่วงนางแต่ละคนรักและห่วงตัวเองกันทั้งนั้น คิดถึงตอนนี้นางยิ่งโกรธเคืองลูกหลานมากขึ้นจึงบอกท่านพระครูด้วยความเจ็บใจว่าหลงพ่ออ้วยยกสงบักให้ลื้อทั้งหมกลื้อเอาไปให้หมกเลยนะอ้วาทาวหวายไม่ได้หรอกซิมอาตมารับไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของบอริสุทธิ์ลื้อไดมาด้วยความทุจริต ถ้าลืออยากได้บุญก่อแบ่งให้ลูกหลานอย่างยุติธรรมก็แล้วกันประเดี๋ยวพวกเข้าเข้ามาหรือก็ บ, บอกเขาซิว่าจะให้อะไรแก่ใครอาตมาจะเป็นพยานให้ว่อยากคึงเขาคึงคงเถี่ยอ้วกงมังมานางบอกได้ความกลัวบาป ไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้มันยุ่งยากเอาเถอะเดี๋ยวอาตมาจะสอนให้ขออาโหสิกรรมแล้วลือจะต้องสอนลูกสอนหลานว่าให้เลิกหากินในทางทุจริตช่วยกันทำบุญทําทานและอุทิศ ส, ส่วนกวุศลให้ลือทำได้ไหมละ่ะท่านแนะแนวทางทำลายอ้วทํทำลายหลวงพ่อเรียกผกมังเข้ามาอวทจะไปเลี้ยว นางกิมหงพูดยังอยากจะละทิ้งสังขารนั้นเสโลเร็ ว, รวสมชายเปิดประตูเรียกพวกเขาเข้ามาท่านสั่งคนเป็นลูกสิบเมื่อคนเหล่านั้นเข้ามาในห้องก็ให้รู้สึกแปลกใจที่คนเจ็บพูดจ้อยๆพลังเมตตาที่ท่านพระครูแผ่ให้บวกกับกําลังใจของตัวเองทำให้นางกิมหงลืมความทุกข์ทรมานได้ชั่วครู่ นางจัดการแบ่งสมบัติให้ลูกหลานสั่งสอนให้เข้าหากินในทางสุดจริตถ้าปวกลื้อทางอย่างอ้วก็ต้องถูกน้องกินตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วจะรั่วมังทอลำมังฉิกหายเลยพูดจบนางก็หลับตาความเจ็บปวดและเมื่อยล้ากลับคืนมาอีกนางพยายามนึกถึงดวงหน้าของท่านพระครู จนกระทั่งหมดลมหายใจเฮือกสุดท้ายแม่อมาเสียงลูกหลานร้องตะเบงเซงแซ่เพิ่งจะมองเห็นคุณค่าของคนที่จากไปท่านพลักครูต้องพูดปลอบใจยอยู่หลายนาทีกว่าพวกเขาจะระ ง, งับความโศกาศดูนไว้ได้เอาละ่ะเขาไปดีแล้วหมดหน้าที่ของอาตมาแล้วจะได้ลากลับเสียที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 ต้นอะไรครับหลวงพ่อผมเป็นต้นอะไรต้นมะม่วงหรือว่าต้นมะปรางสิทธตั้งใจยั่วอาจารย์เพื่อคลายความเครียดภาพคนเจ็บถูกนอนชายยังติดหูติดตาชวนให้คลื่นเหียนอาเชียนยิ่งนักไหนจะกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นซากศพนั่นอีกเล่าต้นระกูลยวนท่านพระครูตอบงั้นผมก็เป็นญาติกับหลวงพี่บัวเฮียวนะสิครับ เพราะหลวงพี่บัวเหียวเป็นยวนลูกศิษย์วัดไปได้เรื่อยๆมัวพูดมากอยู่นั่นแหละเล่นเครื่องหน่อยประเดี๋ยวจะไม่ทันงานเขาท่านกำชับเหยียบสองร้อยเลยดีมิครับจะไปเอาที่ไหนอีกยี่สิบล่ะก็ที่เขาให้ไว้มันแค่ร้อยแปดสิบเท่านั้นเองท่านหมายถึงหน้าปัดบอกอัตราความเร็วของรถ ก็อเอาที่หลวงพ่อไงครับหลวงพ่อก็เพิ่มพลังจิตเข้าไปอีกยี่สิบรับรองว่าไปเร็วเรากับเหาะอย่าเพิ่งเลยฉันยังไม่อยากตายยังมีภารกิจต้องทำอีกมากถ้าเธอเบื่อชีวิตจะตายไปก่อนก็ได้ฉันอนุญาตผมยังไม่กล้าตายหรอกครับเดี๋ยวไม่มีคนขับรถให้หลวงพ่อตายไปแล้วก็มาขับให้ได้ ดีเสยอีกจะได้ไม่ต้องพูดมากฉันรำคาญหยุดพูดได้แล้วนะฉันจะแผ่เมตตาให้พวกสมามภเวศีเขาหน่อยแล้วท่านก็นั่งหลับตานิ่งอยู่คนที่ทำหน้าที่ขับรถจึงต้องสงบปากสงบคำลงงานฉลองพัดยศท่านเจ้าคณะจังหวัดถูกจัดขึ้นอย่างมโหฬารโดยการร่วมแรงร่วมใจของบรรดาศิษยานุสิ์ซึ่งมีทั้งครูตำรวจ ทหารพ่อค้าประชาชนเมื่อไปถึงท่านพระครูจึงเข้าไปยังเต้นปรังพิธีซึ่งจัดอาสนะไว้ต้อนรับพระสงฆ์ที่มาร่วมงานโดยเรียงลําดับอายุพรรษาท่านได้ที่นั่งติดกับหลวงตาสูงอายุรูปหนึ่งถัดจากท่านเป็นหลวงพ่อซึ่งแม้จะอายุมากกว่าแต่หากอายุพรรษาน้อยเพราะบวชตอนอายุมากแล้ว จำนวนพระสงฆ์ที่มาร่วมในพิธีนี้มีทั้งหมด99รูปนั่งเรียงรายดูเหลืองอารามไปทั้งป ร, รามพิธีมีเต้นขนาดใหญ่ขึงไว้กว่าสิบหลังเพื่อให้มันดาผู้มาร่วมงานได้นั่งฟังพระเจริญพระพุทธมนตเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีพระสงฆ์99รูปจะเจริญพระพุทธมนต์ท่านใดนั้นก็ได้เกิดลมบ้าหมูพัดกันโชคขึ้น ความแรงของลมได้หอบเต็นหลังที่ติดกับปะรมิธีขึ้นสูงระดับยอดไม้เสาเต็นซึ่งเป็นเหล็กแท่งยาวได้หลุดออกและพุ่งเข้าใส่ท่านพระครูถูก ป, ปากครึ่งจมูกครึ่งเลือดแดงฉานท่ามกลางความตะลึงงันของพระและคฤรือหัดที่เห็นเหตุการณ์เจ้าอววาดวัดป่ามัม่วงรู้สึกเจ็บปวดราวจะขาดใจ ท่านสำรวมจิตกำหนดเจ็บหนอเจ็บหนอด้วยสติอันว่องไวที่ได้ฝึกไว้อย่างดีแล้วความเจ็บปวดนั่งมากมายจนท่านคิดว่าหากเป็นหลวงตาหรือหลวงพ่อที่นั่งทางเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของท่านโดนเข้าก็คงถึงต้องแก่มรณภาพเป็นแน่แท้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 แล้วคนที่ก่อกรรมทำชั่วโดยเจตนาเล่าเขาไม่ต้องทุกข์ทรมานกว่าท่านเป็นร้อยเท่าพันทวีละหรือเมื่อได้สติผู้คนก็ส่งเสียงเอะอะกันขึ้นโชคยังดีที่มีหมอทหารไปร่วมงาน เขาจึงจัดการทําแผลให้ท่านอย่างรวดเร็วด้วยความชํชนานิชํานาญและรู้สึกแปลกใจที่ท่านไม่ได้เป็นอะไรมากดีถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะพาส่งโรงพยาบาลและรักษากันอยู่หลายวันหลวงตากับหลวงพ่อที่นั่งข้างๆยังแอบกระซิบกันว่าถ้าเป็นเราคงกลับบ้านเก่าแน่เมื่อพระสมเจริญพระพุทธมนต์จบลงบรรดาศิทยานุสิ์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 มีลักษณะแปลกไปจากคนอื่นๆกล่าวคือเหนือศีรษะของหลอนมีแมลงวันหัวเขียวฝฟงใหญ่กำลังบินชวัดเฉวียนอยู่ท่านเพ่งพิจารณาว่ามันเรื่องอะไรกันก็ได้เห็นกฎแห่งกรรมของหลอนอย่างชัดเจนสตรีผู้นี้เป็นคนทุศีลศีลห้าข้อหลอนรักษาไว้ไม่ได้จนข้อเดียวท่านยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า หน้าตาหล่อนก็เหมือนใกล้ตายจริงอยู่แม้หล่อนจะแต่งหน้าสวยงามนุ่งห่มสีสดใสหาก็มีสัญญาณมรณะปรากฏอยู่และหล่อนก็ล้มลงศีรษะฟาดพื้นการรำกลองยาวหยุดชะงักพวกเขาช่วยอุ้มหล่อนมาวางบนเสือและสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดได้เกิดขึ้นนอนตัวเท่ า, มาเมล็ดเข้าสูบตายยั่วเยาะออกมาจากปากจมูก ทวานหนักและทวานเบาร่างของหล่อนเน่าเดี๋ยวนั้นส่งกลิ่นเหม็นครุ้งมาถึงที่ที่ท่านนั่งเสียงคนวิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่วันนี้ท่านได้เห็นคนถูกนอนขึ้นถึงสองคนทันทีที่ท่านพระครูขึ้นรถนายสมชายก็พูดจ้อยจ้อยเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขารู้เขาเห็นนั้นท่านก็รู้ก็เห็นเหมือนกันแต่เป็นการรู้เห็น ที่ลึกซึ้งกว่าคือเห็นกฎแห่งกรรมของสตรีผู้นั้นด้วยหลวงพ่อผมอยากตั้งชื่อวันนี้ว่าวันนอนหลวงพ่อเชื่อไหมพอคนลำกรองยาวแกงหงายพึ่งนอนก็ขึ้นเต็มตัวเลยได้ยินเขาว่ากันว่ายายคนนี้บาปมากศีลที่เขาห้ามไว้แกก็ละเมิดหมด ตั้งแต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มีชู้โกโหกแล้วก็ขี้เหล้าเมายาตายปุ๊บเหม็นปั๊บเลยกลิ่นเหม็นยังติดจมูกผมอยู่เนี่ยคนเล่าทำจมูกฟุตฟิตสมชายท่านพระครูเรียกชื่อลูกศิษย์ครับผมฝ่ายนั้นขานรับเงียบเธอสิ่งที่เธอรู้นะ่ะฉันรู้หมดแล้ว แต่สิ่งที่ฉันรู้นั้นมีบางสิ่งที่เธอไม่รู้เธอนี่แย่จริงๆอ้าวหลวงพ่อไปไปมาๆไงมาด่าผมละ่ะจะไม่ให้ด่าได้ไง่ายแมมมัวแต่ไปดูกลองยาวแอบเราจะตายกลับไม่รู้และอย่างนี้จะไม่ให้ด่าหรือเกิดอะไรขึ้นครับหลวงพ่อถามอย่างตกใจ เจ้าอวาดวัดป่ามะม่วงจึงเล่าเหตุการณ์ที่ท่านถูกเสาเหล็กพุ่งใส่หน้าให้เขาฟังพร้อมกับสรุปว่าวันนี้เธอเรียกว่าวันนอนแต่สําหรับฉันขอเรียกวันว่าวันใช้ยนี่หมาแล้วท่านก็หัวเราะเึือดๆดีแล้วล่ะครับหลวงพ่อใช้ใช้มันซิให้หมดจะได้ไม่ต้องเกิดอีกก็หลวงพ่อบอกจะไม่เกิดอีกไม่ใช่เหรือครับ ก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่จะเป็นไปได้แค่ไหนยังไม่รู้มันก็น่าคิดนาสงชายนาดูเอาเถอะคนตั้งเป็นพันไม่เล่นงานเฉพาะจะพุ่งมาถูกชั้นคนเดียวถูกยังเหมาะเหมิงเสียด้วยกลับไปเนี่ยผมเห็นจะต้องกินแอสไพรินสักห้าสิเม็ด นายสมชายพูดอย่างคนเบื่อโลกเต็มประดาร้อยเม็ดดีกว่าหน้าท่านพระครูตั้งใจพูดประชดทำไมต้องกินร้อยเม็ดล่ะครับถามอย่างสงสยัยจะได้ตายสนิทดีไม่ต้องเสียเวลาพาส่งโรงพยาบาลแม้หลวงพ่อผมพูดเล่นหรอกหน้าถึงผมจะเบื่อโลกยังไงผมก็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 คนเบื่อโลกก็เอ่ยขึ้นว่าชีวิตคนเรานี่เอาแน่อะไรไม่ได้เลยนะครับหลวงพ่อนึกอยากจะตายก็ตายโดยไม่มีปีมิคลุยอ๋อต้องมีปีมีคลุยซะก่อนค่อยตายว่างั้นเถอะแม่หลวงพ่อเนี่ยคราวนี้ผมพูดจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าชีวิตคนเราเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยขนาดรำกลองยาวอยู่ดีๆแท้ๆ ก็ยังตายก่อนในเมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็ต้องหมั่นฝึกสติเข้าไว้ถ้าสติดีซะ่อย่างจะตายที่ไหนเมื่อไรก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปทุกข์ร้อนสติดีในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับสติไม่ดีที่แปลว่าบ้านะแต่หมายถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาท่านจําเป็นต้องขยายความมิฉนั้น ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายนั้นพูดพร่ำต่อไปอีกเห็นตัวอย่างวันนี้แล้วมันทำให้ผมนึกอะไรได้อย่างหนึง่งคือนึกถึงโครงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชนิพน์ไว้ผมจะอัญเชิญมากล่าวให้หลวงพ่อฟังนะครับคนพูดพยายามทำเสียงที่จะตัวคิดว่าไพเราะที่สุด